นั้นพระอาทิตย์สระกันดวงดาวดวงเดือนที่รอยอยู่ในห้วงอวกาศอันกว้างใหญ่ไพศานั้นคือรูปรูปประคันถ้าเชนั้นร่างกายนั้นเป็นส่วนหนึ่งของรูปขันเท่านั้นดังนั้นร่างกายแท้คือจักรวาลแห่งวัตถุทั้งหมดมันน่าตกใจเดียวที่จะบอกว่าร่างกายพระอาทิตย์เป็นร่างกายของเราด้วยแต่แล้วเป็นครามรู้พื้นๆง่ายๆนะครับพระเจ้าท่านทรงชี้ให้พระราหุล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 ดั น, น, นห้วงอวกาศ อ, กอังกว้างใหญ่ไพศาลนี่เป็นอันเดียวกับจิตซึ่งดับสนิทแล้วหรือเปล่าดังที่เราได้ยินคําองมาเปรียบเทียบว่าจากคณาจารย์เซนว่าจิตแท้แท้ลึกแก่นใจนะฮะเช่นเดียวกับห้วงอวกาศอันไร้ขอบเขตคําที่น่าทึ่งน่ากระทบมากครับผมเองหลังจากถูกจิตประกายจากอาจารย์สวัยแล้วนะครับหนังสือเล่มถัดมาอันนี้เล่าเรื่องส่วนตัวแต่เพื่ เพื่อประกอบว่ามันมันส่งผลอย่างไรคำพูดของคูบาฮงโปนี่กระทบมากๆครับที่เดยจิตคือพุทธะเนี่ยขาเ ม, มกระทบผมมากๆเลยดังนั้นพิเคราจากยานวิทยาของพุทธศาสนาที่เรียกว่าขันห้าเราจะพบว่าฝ่ายมหายานได้พัฒนาความเข้าใจนี้ไปไกลจงกระทั่งประมวลสรุปว่าขันห้า ห, หมายปรากฏการทั้งหมด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 และธรรมากกว่า น, นั้นก็คือเราเป็นธรรมตรงนี้ครับดังนั้นฐานะของมนุษย์เนี่ยสําคัญที่สุดแต่ไม่ได้สําคัญที่ว่ามนุษย์ยิ่งใหญ่หรือเปรศ เ, เรามักได้ยินคำพูดที่ไม่มีการสอบสวนว่ามนุษย์เป็นสัตว์เปรศใช่หรือเปล่าครับที่จริงมนุษย์เป็นเพียงตัวแปรครับที่สําคัญมนุษย์สามารถทําลายโลกนี้ให้เป็นที่ฝุ่นหรือทําให้ทุกสิ่งอย่างเกิดหา ย, ยันะเมื่อไรก็ได้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 ไปจากแยกไปจากกเด ร, รชาท่าไหร่ไม่ในทางบาลีหรือหลักคิดทางพุณศาสนาถือว่าต่างกันตรงนี้ฝ่ายหนึ่งเรียกเดรฉานฝ่ายหนึ่งเรียกวมนุษย์แต่เป็นสัตว์เสมอกันที่เดรชานไม่ใช่คาําด่านะแต่เดี๋ยวนี้เราเอามาดา่าฉันด่าเพื่อนไอสัตว์เดรฉาเดี๋ยวได้ต่อยกันยุ่งไปหมดติระชานงแปลไปแ ข, ขวางครับคือกระดูกสันหลังเขาไปทางเส้นขวางดังนั้นตกภายใต้อํานาจสัญชาตยานตลอด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 สองข้างและลำตัวตรงและในบรรดาสัตว์ตสองขาที่ยืนลำตัวตรงนั้นมีพระพุทธเจ้าเป็นเลิศสุดมีคานี้เป็นคำยามเนยเพราะเป็นสัตว์สองเท้าประเภทเดียวที่ทีเฉลียวฉลาดและรู้แจ้งแต่ว่าคำว่าคนหรือสัตว์บุคคลตัวตนนี้มักจะใช้แทนที่กันได้พิสูุส์สาว น, น้อยจะรับการคำสอนในยานวิทยานี้เป็นปฐมเลยให้พิจารณาปัจจุ วันหนึ่งไม่รู้ที่ตลบเนี่ยละเวลากินเวลานุ่งเวลาหม่มนอนว่าไม่ไม่ใช่ศัพท์ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่บุคคลไม่ใช่เราไม่ใช่เขาสักแต่เป็นาธาตุเลือ่อนๆหนึ่งนี่ความรู้ชั้นสูงสุดนะเปรียบเสมือนอาวุธที่ที่ทรงิทธิภาพที่สุดแต่ว่าถ้าเราเอามาท่องด้วยปากเรื่อยๆไปมันก็หมดค่าไปได้เหมือนกันเหมือนมีคนล้อนะครับเราท่องเอาพุทธเข้าโทออกพุโทโธพุโทโธ นานนเข้าผลมันเท่ากับท่องว่าโคคาโคล่าโคคาโคล่าเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> คือมันเริ่มเริ่มสูญสลายประสิทธิภาพของมันนะเพราะว่านั่นเป็นการท่องบนที่ปากหาได้สัมผัสไม่ไ ม, ไม่ไม่ได้ใช้ระบบสัมผัสจริงๆระบบวิวิปัฒนาที่ทำให้เกิดปัญญาแจมแจ้งนะครับจนสิ้นคลางแคลงสงสยัยก้อนนี้ต้องอันดลายทีดเส้นใต้นะครับว่า การแจมแจ้งสิ้นคลางแคลงสงสัยนีเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะว่าถ้าไม่แจมแจ้งไม่สิ้นสงสยัยเชื้อสามความไม่รู้ยังแฝงอยู่เสมือนเรากำจัดแบคทีเรียเกลี้ยงไปแล้วแต่เหลือสองํำตัวพักเดียวตอนนั้นงมันแพ่ขยายคลุมใหม่หลายครั้งหลายหนนะครับที่ชีวิต จ, จิตใจของเราได้สำแดงอนุภาพประสิทธิภาพของความอยู่เหนือข้อจากัด <mister ius> เพราะว่าเช่นนั้นเราอาจจะถูกร้องเรียนกันว่าจิตประพักสอนจิตที่เรืองแสงได้นั้นภาวะของมนุษย์จริงๆนี่เนียมันเหมือนกับว <ux im ä> ่าเวลาเราเดินทางย้อนกลับไปสู่ตัวชีวิตถ้าเราคิดไปข้างนอกเรากำลังสร้างโมเดลของชีวิตเช่นผมคิดถึงตัวเองครั้งหนึ่งเนี่ยผมเล่าเรื่องขำแต่ว่าคำนี่เจียนจะถูกทําลายร่างกาย ผมาเชิญผมไปบรรยายทำผมก็บรรยายไปตามความรู้ความเข้าใจแต่มีนายคนหนึ่งเขาลองดีครับเขาค่อนข้างปลาดเปลืองก็าบอกอาจารย์ผู้ดีมากแต่ผมถามแล้วก็แล้วทำไมยิงศึกเสียจากพระผมรู้สึกถูกกลองดีแล้วผมก็บอกว่าไม่รู้ผมไม่เคยบวดคนที่บวดเรื่องคุณโควิดไม่เกี่ยอะไรกับผมเมื่อําต่อกันนาไปดูอีกทิศทางหนึ่ง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 ที่จริงพุทธวัตรนั้นสําคัญทุกตอนจนอาจารย์นุ่มโบราณซึ่งเป็นนักกวีนิพนธ์นะครับนักกวีเนี่ยเขาจะแผ่ขยายรงกรงทั่งถึงบทที่อยู่ที่ชั้นดุสิตผมเรียกร้องอยาดังเกียรติวรรณกรรมอันเลื่เหล่านี้นะฮะเช่นในลลิทวิสตระอะไรอย่างเงี้ยเขาตั้งต้นในชั้นดุสิตเลยครับถือว่าพระเจ้าสามารถตรัสรู้ได้ในชั้นดุสิตแต่ด้วยพระมหากรุณาที่โลกจะว่างเปล่าและทุ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 ปรัชญาขึ้นแล้วมาสอนอันนี้เป็นอันตรายมากครับซึ่งนําไปสู่การประมวลมาเป็นศาสนาอย่างที่ในอเมริกาเขาไม่เรียนศาสนาเนะี่ยทันท่นเรียนจะไม่มีการเรียนแต่ว่าศาสนาจะอยู่ในรูปของไม่รู้จะแปลอะไรศาสนาพละเรือนซิวิเลียนลิลิเยีครับซิวิเลียนลิลิเยียันหมายว่าไม่มีศาสดาผู้กลับสรุแต่นักวิชาการได้ประมวลความรู้จากนักโระสาทนักจิตวยาของพลอยว้างของยุงว้าง นักสังคมวิทยามารวบรวมแล้วก็ว่าเออนี่คือศาสนาของเราโดยไม่มีศาสดาพูดตรัสรู้อย่างสมบูรณ์อ้นี้ผมเชื่อว่าในอนาคตใกล้นี้ถ้าเราจับผิดจับฝาจับผิดฝ า, ผ, ดาผิดตัวบ้านเมืองเราก็จะเล่นไม้นี้ออกมาทันทีคิดตกลงว่าเพื่อสอดคล้องนโยบายของรัฐเราจะสอนศาสนาให้นักเรียนอย่างไรโดยไม่ต้องเกี่ยวกับการตรัสรู้ของพระเจ้าผมว่านี่คืออันตรายมาก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 นี่สำคัญมากครับตามคำรู้สึกของผมเพราะว่าการปฏิบัติธรรมศาสนกิจทั้งหมดต้องมาถึงจุดหักแหลกและชีวิตใหม่ลุกยืนขึ้นก่อนหน้านั้นนะฮะพระเจ้าคือเจ้าชายสิทธถาแม้จะได้ชื่อสักกมุนีแล้วก็ตามเนตรงท่านเดินยืนเดินนั่งอยู่ด้วยความไม่รู้คือไม่รู้จริงถึงที่สุดคือยังไม่ได้ตลัสรู้แต่ถ้านอาจจะสอนได้ในระดับแต่สอนทั้งๆไม่รู้นี่สอนได้เหมือนกัน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 ท่านคงไม่พูดจากเกี่ยวพาราสีดึงดูดยวนใจคนเพียงเพื่อให้เลื่อมสายศรัทธาท่านท่านคงไม่ใช่นักล่าหัวสาวกท่านผมเชื่อท่านไม่ต้องการอะไรเลยจากโลกนี้อีกแล้วครับเพราะว่าความต้องการมันเป็นของเจ้าชายสิทธิ์ถารวมทั้งต้องการการสัตวรู้พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ต้องการมันอีกแล้วเพราะาท่านสัตวรูแล้วความก้อนนี้เราลงวิเคราะห์ให้ทัดๆเนาะจะผมคิดว่าจะนําไปสู่จุดสําคัญ พูเจ้าเข้าไปสู่ภาวะที่เรียกกันในทุกวันนี้ว่าอวยากตะธรรมอัพยากฤษตภาาฝรังก็คงน่าจะแปลว่า unspeakable นะ uns ครับสภาวะซึ่งพูดไปออกบอกไม่ได้อยู่เนื้อสมุติอยู่เนื้อบ ร, รยัยกเข้าสู่สภาวะซึ่งเป็นต้นต่อจริงๆของมันซึ่งยังไม่มีระยะทางการเวลาหรือดีหรือชั่วหรือถูกหรือผิดแต่พระคัมภีร์บอกเราว่าทรงเห็นปฏิจจสมุปบาท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 เมื่อคนคนหนึ่งไปแลเห็นเข้าในฐานะของมนุษย์ก็ร้องเรียกชื่อนองลเลยเรียกว่าธรรมบัญญัติภาษาฝรั่งเรียก nomination นะครับเหมือนเด็กยังไม่มีชื่อต้องไว้ให้พระสงฆ์ตั้งชื่อให้จะได้เรียกกันถูกจะได้ร่วมรู้กันว่าเป็นสมมุติคือคือมีมติร่วมกันวนะ่าเด็กคนนี้เรียกนายเอนายบีนายจอห์นนายจิมอะไรกันสุดแท้นะครับเพื่อที่ให้คิดต่อกันได้ว่าเราจะเราจะสัมพันธ์นี้อย่างไรเป็น สิ่งที่สมมุติขึ้นตอนนี้ผมได้เสนอสองสิ่งนะครับคือธรรมนิยามซึ่งอยู่เหนื้อบัญญัติเนื้อภาษาเหนือการแจกแจงเนื้อการประเมินค่ากับธรรมนิยามซึ่งเป็นการพยายามเป็นคำวิยามอันเฉลยวฉลาดแล้วเป็นพระมหากรุณาของพระเจ้าเหตุผลนะครับที่ว่าเป็นมหากรุณาเพราะว่าตัวธรรมนิยามนั้นสื่อโดยตรงไม่ได้แล้วจะล้มเหลวทันทีดังตัวอย่างทุกท่านตัดสรู้แล้วใหม่ๆนะฮะ ท่านจาริกไปกาสีเพื่อจะไปช่วยปัญจวคคีนะฮะซึ่งถ้าพระองค์ท่านได้ยินข่าวว่าหลบลี้หลังจากนายแหนงท่านหลบลี้ไปอยู่ที่กาสีคือพาราณสีศูนย์กลางของฮินดูนะฮะ ร, ระหว่างทางท่านเจออุปกาะชีวกชีวกคนนั้นเห็นสัญญาณอะไรบางอย่างก็เลื่อมสาเห็นอินเซียนของใสเห็นความอะไรที่ทีเขาเห็นนะนะแล้วเข้าไปแต่ถามว่าท่านเป็นใคร ใครเป็นครูของท่านชอบใจทําว่าอะไรพระเจ้าท่านบอกท่านเป็นสพันญูรู้เองในสุดท่านบอกขอให้ทรงจําท่านว่าเป็นพุทธะผลคือล้มเหลวครับการสอนครั้งแรกของพระเจ้าล้มเหลวเราต้องยอมรับนะผมไม่ได้จ้วงเจ้าเขาดงเนะคามจริงหลายครั้งท่านล้มเหลวเช่นสอนพระญาติคนสนิทเทวทัตเนี่ยสอนไม่ได้แต่ความล้มเหลวไม่ได้อยู่ที่ตัวท่าน มันอยู่ผู้ผู้รับรู้ผู้เรียนไม่พร้อมที่เรียนหรือจับผิดเรียนพลาดไปเหมือนกับยาที่ที่หมอให้นนะก็บอกให้กินตามโด้แล้วกินผิดไปนะครับกินน้อยไม่ได้ผลกินเกินตายอุปการช่วยก็ไม่เชื่อครับแล้วแถมท้าทายด้วยแลบลิลอกแลก้วก็พูดดักดันว่าเชิญเป็นไม่พอนะพ่ออย่างนั้น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 ขณะนั้นท่านตรงบาทอย่างนีนในตลาดพี่เจ้าเลยเตือนให้ใหระวังว่าท่านจะพูดสั้นที่สุดแต่เป็นแก่นซึ่งชาวพุทธทั่วโลกรู้จักกันดีนะพี่เจ้าเตือนในตั้งสี่เราบอกว่าถ้าเช่นั้นเมื่อใดตาเห็นรูปศักดิ์จะเห็นเมื่อใดหูได้ยินเสียงสักแต่ได้ยินเมื่อใดจิตรู้อารมณ์ใดสักแต่รู้เมื่อ น, นั้นตัวเธอภาพลักษณ์ของของตัวเองจะไม่ปรากฏไม่ว่าที่นี่ในอดีตปัจจุบันนา้นก็จะไม่ปรากฏเลยคือจะไม่รีเฟล็กกันนี้ขึ้นมา ที่ตรงนั้นเป็นที่สุดทุกแล้วก็ภายะก็จัดสรูปขนาดนั้นนะครับแต่แล้วก็เมื่อทูลขอบรรพชาก็ต้องไปหาบาทแล้วถูกแม่วัวบ้ากขิดตายซึ่งเป็นที่มาเรื่องการมณิทวารศีลเขาย่นย่ออกมาดังนั้นระหว่างธรรมนิยามกับธรรมบัญญัตนินี้เราต้องเข้าใจมาเนี่ย พ, พระองค์บัญญัติธรรมะขึ้นสอนในฐานะเป็นอุปายะเป็นอุบาย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 ควาบัญญัติในพุทธศาสนานั้นมากและจริงจังกว่านั้นครับคือบัญญัติขึ้นจากเขาเมื่อนของธรรมชาติเช่นรูปเวทนาสัญญาทังขานมันมีเขาจริงๆไม่ใช่ไม่ใ ช, ไใช่ไม่ใช่โมเมขึ้นไม่ใช่เมคบ b e l i ขึ้นไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะนั่นเป็นสิ่งสำคัญมากที่เราต้องเข้าใจว่าสิ่งที่พระองค์ท่านบันญญัติขึ้นอยู่ในฐานะอุปายาปรญญาศจากอุบายแล้วยากที่สัตว์จะไต่ออกจากลุมมืดของอวิทยาครับ นี่ไม่ใช่คำของผมมันเป็นคำของอาจารย์รุ่นโบราณครับปจากการสอนปัจจามหากรุราของเจ้าที่พยายามแจกแจงสมมุติในฐานะเป็นอุบายแล้วยากที่มนุษย์ผู้หนาไปด้วยอาลัยหนาไปด้วยกิเลสนนะจะสลัดหลุดออกจากอาวิชชาเมื่อพระองค์ท่านบนรรจับทิ่แล้วยังค้นหาเทคนิคให้ดูัน ง, งานของพระองค์ท่านนะ รุ่มลึกกว้างขวางตลอดประชชนชีพนั้นเต็มไปด้วยงานสร้างสารรค์สามสิบปีที่แล้วเมื่อผมออกเป็นนักพรตถูกน้องเขยลูกลานด้วยคําพูดว่าพระพุทธเจ้ามีผลงานอะไรผมตกใจไปงานคําพูดเพราะว่าเราทําผลงานเพราข้าราชการก็ดีครูบาอาจารย์เราไม่มีผลงานเีลยก็ถูกยื่นท้องขาวเท่านั้นเนี่ยผมตอบไม่ได้ตอนนั้นงงไปเลยเขาถามมว่าพระเจ้ามีผลงานอะไรเนี่ย ถึงไะ้ไปสยบยอมอะไรนะแต่ผนงานท่านมันไม่ได้อยู่ที่ที่ตา เ, เห็นครับมันเป็นการปลูกสมนึกจูงใจมวลชนมาหลายศตวรรษแล้วเพื่อเข้าถึงแก่นของสมนึกแก่นใจครับถ้าไม่เข้าถึงแก่นใจก็อยู่ที่ผิวเปลือกคืออยู่ที่ชั้นของความคิดเมื่ออยู่ที่ชั้นของความคิดอยู่ที่การงานเน็ตเวิร์ของสมอง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 องทะลุทะลวงปัจจุบันในทีหนึ่งมีถ้อยคำซึ่งอาจจะเป็นรหัสจัดมากรับเป็นรห enfin ัสแต่ว่าเป็นรหัสซึ่งถูกประมวลมาจากความชี่วชานชำนาญของผู้ที่มีประสบการณ์ในเรื่องนี้ปัจสนบันครเช่นคำพูดที่ว่าให้รู้แต่อย่าให้มันรู้อะไรเท่าฟังดูไร้เหตุผลพาราดอกหกพัน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 จิตหรือชื่อเสอยงอะไรอีกเราต้องการศึกษาเพื่อให้เปิดเผยความจริงด้วยเครื่องมือวิเศษอันหนึ่งซึ่ติดตัวมันจะเกิดแลาส่วนเครื่องมืออื่นที่มาจากผู้อื่นนะเป็นเครื่องช่วยครับผมมองว่าวินยัยวินัยสองนะี่เป็นเครื่องประยุมเมื่อคราวที่เราเช่นเดียวคราวที่เราโงนเงนตาลายนะฮะเราต้องการเด็กทุกคนหนึ่งที่แข็งแรงเราจะได้กาะ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 ติดยึดอะไรโดยไม่ดูแล้วปฏิบัติเชา้าปฏิบัติเย็นจเป็น ป, ปีนั่งหลัหูหลับตาผมไม่ได้ว่าใครคนใดนหนึ่งครับปัญญานี่สําคัญนะครปัญญามันเครื่องสองเรารู้ว่าในที่มืดต่อให้เราหัวไปชนเข้าแล้วนะเนี่ยแล้วไม่รู้ว่ามันคืออะไรเราก็สงสัยอยู่นั่นเองครับคําถูกแล้วแต่วไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรก็ไม่รู้อยู่ดีดีก็ไม่รู้ว่าดีอย่างไรชั่วก็ไม่รู้ชั่วอย่างไรใน่สุดสมมุติก็ไม่รู้ว่ามันเขาสมมุติดเพื่ออะไร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 ครูนี่เป็นคําที่ใช้กันกลางๆไม่อาจจะบใหเป็นพุทธได้วันสุดท้ายของกชจชีพของพระเจ้าพระอานนท์ถามเรื่องนี้ครับใครจะเป็นศาสดาแทนนะและ้วพระเจ้าอ้างถึงคําว่ากํามือของครูไม่มีในเราปกติระบบครุกุลในอินเดียนั้นครุกุลก็คือลึกศิษย์ครูไปเป็นตะกุลของครูครับจะเรียนอะไรต้องเป็นลูกครูนะเราเรียกว่าลูกครูพ่อครูกัน ครูทั้งเมียรครูใช้สักพักเอาเพื่อจะแลกเอาความรู้เนะี่ยอาศายความรักใกล้ชิดกันเน่่ยนะเรยอระบบครุกุลแล้วก็ครูเขาจะขยักความรู้ไว้กําลาบสิทธิ์ครับคือจะสอนหมดเดี๋ยวมันกําเริบเปรตสารไม่มีใครคุมอยู่เขาขยากักถ้าเป็นครูมวยก็หมายความมีไม้เด็ดที่จะปราบไอ้หมอนี่หรือถ้าครูดา่าก็หมายความอีกตอนหนึ่งที่จะจัดการหนึ่งเขาจะไม่สอน แต่สำหรับพระเจ้าท่านบอกว่าเธอจะหวังอะไรในเราอีกกำมือของครูไม่มีในเราท่านเปิดเผยหมดสิ้นะดังนั้นมันบอกว่าความลับของท่านไม่มีไม่มีที่กุมอำนาจกนอื่นเพื่อประโยชน์ในการควบคุมบังคับบัญชาคนท่านไม่ต้องการอย่างนั้นและท่านปฏิเสธผู้นำมันศาสนาว่าไปแล้วนะครับมีปัญหายุ่งยากมากที่ชาวพุทธทั่วไปต้องทำความเข้าใจให้กระจางแจ้งไม่นั้นหลาอาจะไปทําลาย หรือทำลายสิ่งที่ถูกสร้างขันขึ้นใหม่เช่นระบบปกครองแบบสังราชานะถ้าเอาพระวจนะในช่วงชีวิตสุดท้ายเนี่ยที่จริงพิะเจ้าเปรตเนี่ยไม่ยอมให้มีผู้นำสงมาเป็นตัวแทนทำนองกาลิกหรือชีคหรือฟันตปาปานมีไม่ได้ครับในพุทธศาสนาถือเอาทำวินัยเป็นาศาสดาเลยเพราะนั้นการปกครองสงนั้นตาม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 ที่จริงเขาเริ่มต้นไว้ครึ่งหนึ่งในเรื่องของมหากราบรหัสแห่งการเดินทางวิทยาความรู้ซึ่งอยู่นอกขอบเขตของพุทธศาสนาแต่เราไม่อาจไปเสดได้ว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นพูดจากประสบการณ์และหลักความจริงเช่นอิคารุสทยโยธยานจะไปให้ถึงดวงอาทิตย์แห่งศักธรรมในสุดยิ่งใกลสก้สัจจะสัจจะนั้นได้พิสูจน์ว่าไม่ใช่สัจจะของอัตตา ในสุกระล่วงหล่นมาสู่ทะเลซึ่งเป็นใบหน้าของตัวเองกับเพียงกลับเข้าถึงใบหน้าเดิมแท้ของตัวเองหรือที่เซนเรียกว่าจิตเดิมแท้เท่านั้นโดยวิธีอธิบายง่ายๆผ่านทางประการนรมหรือทีเรียมิตหรือปรัมราคติเช่นนี้นะฮะเป็นวิธีสื่อภูมิปัญญาคัังโบ ร, ราณก่อนหน้าที่กระบวนการเหตุผลจะเติบโต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 ฐานของท่านคือคนธรรมดาครับเหตุที่อ้างกับธรรมดาเพราะว่าท่านออกบวชแล้วท่านยังเล่าท่านกลูวผี